ทางพระกุฎเจ้านะครับผมก็ขอนมวลได้าลองสรุปนะครับเกียนสองธรรมะสว่างจากภารกิตทั้งหลายทั้งปวงที่พระกุฎเจ้าจะได้ให้เกิดขอ้ขอคิดข้อปฏิบัติเกียรติธรรมในวันนี้นนมวลพวกเราได้ยินได้ฟังนะคุณหมอเ็าเป็นแบบประสบการณ์ตรงรที่าได้ รับคำตอบเด็ที่ประทับใจญี่ยคนที่เคยสนชลาธรรมหรือพูดคุยกับหลวพ่อเป็นตัวจัดการส่วนตัวนั้นจะได้จะได้คําตอบที่มีความชัดเจนและขอบชีวิตอีกมุมหนึ่งของคนคนนั้นเพราะท่านไม่ได้เอาตำหรักตําราท่านไม่ได้เอากคำสีที่ไหนมาเป็นตัตอบเอาของจริงสิ่งที่มีอยู่นั้นมาตอบ เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าการตับสรุปของพระพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่ได้เอาคำทีเล่มไหนหรือตำลับตำลาความรู้ดั้งเดิมในอดีตมารับรองการตับสรุของท่านในขนาดนั้นเป็นภาวะที่สดเป็นภาวะที่สด ทเราไปเรียนจําได้หมายรู้อันนั้นเรีกว่าเป็นของแห้แต่คาว่าที่มันสดตรงนี้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนหลวงพอ่อเทียนท่านก็ใช้ความสดตรงเนี้เราเป็นตัวชี้บอกเมื่อคนทุกคนมีความสดเหมือนกันต่างได้รับความสดเหมือนกันแั้กันเนี่ย ถึงฮบได้ในสิ่งที่ที่ทุกคนถ่ายทอดแต่ที่ที่เราไม่เป็นที่เราไม่ลักษณะนั้นเป็นเพาะอะไรอันนี้เราลองมาม า, ม า, มาสํารวจตั ว, ต, วตัวเราเองจะหยิบนั่นหยิบนี้จกนนัจกน้อนจับนี้มาใส่มาเปรียบเทียบเทียบเทียมถูกหรือเปล่างัวตําตราเขียนเรื่องทุก แต่ตำราต้องมเป็นแล้วก็ทุกอย่างตำราทุกตัวหนังสือตาราเขียนได้สุกตำราสุกไม่เป็นเป็นอยู่ลักษณะนั้นเอ็น ต, ตัวหนังสืออยู่ลักษณะนั้นแต่สิ่งที่มาสุกแล้วมันทุกเป็นตัวคนทุกคนตรงนี้เราจะแก้ไขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราของเราอย่างไร แล้ว่ถแกไข ป, ปายกตัวออกไปแล้วความทุกข์มันลดน้อยลงไปไหมเสียเวลาพวกาทุกข์สีเวลาตั้งหกปแีแต่สิ่งที่พระุทธองค์ปรากฏเกิดขึ้นพระุทธองค์นั้นพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราย้อนกลับไปทําทุ ก, ท ก, ก ต, ตทกิทุกทกิริยาต่างๆอย่างที่เคยทามาหกปีมีเลขตำลานี้ ที่สุดทั้งหลายจะ้องอกลับไปทําเหมือนกับที่เราทํา ม, มาก่อนนี่มาก่อนไม่ใช่ตอนนั้นถึงพภูมิทิเจ้าตอนนั้นนังไงเป็นภู้ิทินเจ้าจิกจุดต่างๆที่พวกเราชาวพุทธเนี่ยเริ่มจากจุดนี่จับคําสอนของภูมิทิศเจ้าเริ่มจากที่ตรงไหนเอาที่ตรงไหนเป็นจุดสำคัญจิศเจ้าเกิดกที่ลมที่นีประจัสมุี่ เราเต็มเดือนหกเราก็ไปกลาบเห็นว่าสถานที่จะเดินจากันตรีผ่านแล้วก็ไปกลั บ, เ, บ, บ, บเห่นว่ายิ่งกับปัจจุบันนี้กระทษนะที่ขันแก่เพราะว่ามีพระธาตุจากไหนได้รู้มาให้คนชาวขันแก่นี้กลาบไหว้ แต่พระธาตุองนี้ไม่ใช่ใชใชใชอดิทธาพของสมณโคดรมของพระพุทธเจา้าแต่เป็นพระพุทธเจา้าองค์หนึ่งองค์ที่สามไม่รู้ตานานกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วนะี่แล้วเก็บมาได้ยังไงคนมาได้ยังไ ง, าไ ง, ไงสาระงสำคัญจุดที่ตรงนั้นอันนี้ทีม่มองความเห็นความเข้าใจของชาวพูดว่าเรา ส, สิ่งเหล่านี้ที่มันมีอยู่ในตัวเราเราก็ไม่้ใส่ใจ เตว่าไปใส่ใจสิ่งอื่นนอกจากไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองรู้ไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองกระทําในนี้เพรานะนัลองลองให้ความเชื่อมั่นกับสิ่งที่ตนเองรู้อย่างนี้นะอ้าวสมมุติว่าเวลาทานข้าวพอกำลังจะอิ่แล้วอไม่ยิ่มเราหันหน้าไปถามเพื่อนเออแล้วฉันทานข้าวยิ่ได้อยังไง มนันเรกระตุทุกที่รเราทุกที่เรามีนี่ยหละไม่ใช่ให้ใครผู้อืแก้ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราข้อเทียนทั้งสองนี้นรูปแบบวิธีการต่งๆาวนต่ ง, ต ง, ตงมันชัดเจนแล้วก็ท่านก็พูดลักษณะที่ตรงไม่มีไม่มี สิ่งไหนที่เที่ยวไปไม่ไปแต่สิ่งที่เราทำสอนในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระค ร, รูอาจารย์ทมาตั้งนานเราทำลองดูแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละภาวะของอารมณ์เปลี่ยนแปลงเชื่อเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นงาน ร, อร้อยปีผมก็เทียนทั้งหม น, นี้ยลายเป็นแท่ ง, งานรอ้อยปี ตัวเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยูในตัวของเราเองด้วยสุขกระทบเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็เปลี่ยนเราให้เราให้ความสําคัญกับเรื่องความชิดชิดหาของกินสิ่งที่มีในตัวตนของเราเนี้ยข้อชีวิตเรามาเนี้ยมันยังไม่มีคําตอบให้กับตัวเราเองลองเปลี่ยนความชิดให้มันเป็นความรู้สึกใ้มนเป็นสติสัมปชัญญะตรงนี้ ถ้าก่อนที่ความคิดมันยิ่งไล่แล่นโลดแล่นอยู่ทั้งรอบทั้งอดีตอนาคตต่างๆก็มีคําตอบที่ชัดเจนแต่ถ้าเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้สึกตัวในขณะที่เราเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนั้มันกลับมีคําตอบว่าเออความคิดที่มันฟุ้งซ่าเมื่อก่อนที่หายไปไหนทาไมกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวล่ะความฟุ้งซ่านหายไปไหนตรงนั้นเป็นยีคําตอบที่ตัวของเราเอง แต่เราก็ได้จะสัมผัสกับสิ่งนธรรมชาติส่วนี้มันมีในตัวคนทุกคนไป่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นแล้วก็ตามถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาความรู้ในอดีตมารับรองการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นภาวะที่มีความสดอยู่นะแล้วเราทำอะไรในขณะนี้เราหาอะไรแล้วมีคําตอบหรอยัง ถ้ายังไม่มีปรตกบกลับมาอยู่กับกลับก็จะกลับจากความสกป็ิความรู้สึกตัวทันทีนั้นแหละจะได้เห็นปรักฏสิ่งที่เรามีเในตัวเราจะปรากฏเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นก็ขอกราบในยัดชมและก็นัปฏิบัติธรรมไว้เพียงเท่านี้กลับขอบพระคุณอาจารย์คที่ยืนยันจากจ่อันนี้และมีความเชื่อมั่นในแนทางอันนี้ว่านั่ผิดทางแน่นอนนะครับกราบที่มนต์ท่านอาจารย์ปฏิสัมภ์